ปีใหม่ี้ชีวิตของพวกเราจะดีกว่าปีเก่าหรือไม่อยู่ที่การกระทาของเราทางกายทางวาจาและทางใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับาการโคโจรของดวงดาวต่างๆหรือคำทำนายพยากรณ์ ว่าเป็นปีชงหรือไม่เป็นปีชงว่าจะเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีว่าจะวุ่นวายหรือไม่วุ่นวายจะมีน้ำท่วมมีภัยแรงหรือมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้ เหตุการณ์ต่างๆเหล่ า, า, านี้มันไม่ได้เป็นตัวที่จะทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นหรือเลวลงแต่อย่างใดชีวิตของเราจะดีขึ้นหรือเลวลงอยู่ที่การกระทําทางกายทางวาจาทางใจของพวกเราถ้าทําความดีทางกายทางวาจาและทางใจ ชีวิตเราจะดีขึ้นไปตามลาดับถ้าทำความไม่ดีทางกายทางวาจาและทางใจชีวิตเราจะเร็วลงไปตามลาดับชีวิตก็คือจิตใจของพวกเราเราดูสมัยพระพุทธเจ้าสมัยนั้นไม่เห็นมีความเจริญอะไรทางวัตถุเหมือนที่เรามีกันอยู่ในปัจจุบันนี้เลย แต่สมัยนั้นจิตใจของคนเป็นคนดีกันมากมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำมีพระอาหารหันตสาวกเป็นจำนวนมากหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดทั้งๆ ท, ท, ที่สภาพแวดล้อมขอ ง, ส, งสังคมก็ไม่ได้ดีเท่ากับสมัย ที่เราอยู่กันในสมัยนี้สมัยก่อนไฟฟ้าก็ไม่มีน้ำประปาก็ไม่มีโทรศัพท์มือถือก็ไม่มีรถยนต์ก็ไม่มีเครื่องบินก็ไม่มีไม่เห็นมีอะไรสิ่งอย่างที่เรามีกันเลยแต่ทาไมมีพระพุทธเจ้ามีพาาระอรหันตสาวกกันเป็นจำนวนมากเพราะ มีการกระทำความดีกันนั่นเองมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำในการทำความดีแทนที่พระองค์จะไปทำความไม่ดีเช่นไปทำสงครามเพื่อจะได้ขยายอาณาจักรของพระองค์ให้กว้างใหญ่ไพศาลให้พระองค์ได้เป็นพระมหาจากักรพรรดิแต่พระองค์กลับเห็นว่าการเจริญ ทางอำนาจวาสนาทางอาณาจากักรทางทรัพย์ทางบารมีทางอำนาจมีมันไม่ได้เป็นความเจริญที่แท้จริงมันไม่ได้นำความสุขให้แก่ใจไม่ได้นำความสงบให้แก่ใจแต่กลับจะนำความทุกข์ความวุ่นวายใจให้แก่ใจอยู่เรื่อย พระ อ, องค์จึงไม่สนใจในเรื่องของทางด้าน เ, าเหตุการณ์ต่างๆทางด้านวัตถุทางด้านราบยศสรรเสริญของเหล่านี้พระ อ, องค์ทรงเห็นด้วยปัญญาว่ามันไม่ได้เป็นความสุขแต่มันเป็นความทุกข์มันเป็นกับดักให้จิตใจต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตาย อยู่เรื่อยๆอย่างไม่มีวันจะสิ้นแต่การกระทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจนี่แหละที่จะเป็นเหตุที่จะสร้างความสุขสร้างความเจริญให้แก่จิตใจอย่างแท้จริงเพราะจะนำความสงบมาให้แก่จิตใจทำให้ความทุกข์ต่างๆนั้นหมดไปทําให้กิเลส ต, ตัณหา ความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆหมดไปทำให้พบชาติคือการเกิดแก่เจ็บตายหมดไปนี่แหละคือสิ่งที่เราควรที่จะใช้วัดความเจริญของจิตใจของพวกเราว่าจิตใจเรามีความสุขมีความสงบมากขึ้น หรือน้อยลงจิตใจเรามีกิเลสตัณหามากขึ้นหรือน้อยลงอันนี้ถ้าเราใช้ตัวนี้เป็นตัววัดเราจะเห็นว่าการที่จะทำให้จิตใจเราสงบมีความสุขมากขึ้นมีความเจริญมากขึ้นก็ต้องอยู่ที่การกระทาทางกายทางวาจาและทางใจ คือการกระทําความดีทางกายวาจาใจนี้เองดังนั้นไม่ต้องไปกังวลกับโหราจาร์ทั้งหลาย <c oughs> ที่พยากรณ์ว่าปีนี้เป็นปีชงหรือไม่ชงเป็นเศรษ ฐ, ฐกิจจะขึ้นหรือจะลงจะมีสงครามมากน้อยเพียงไรหรือจะเป็นปีที่โลกนี้จะต้องอามาอา่ชิบหายวายป่วงไปก็ไม่เป็น เรื่องสำคัญอะไรเพราะเหตุการณ์ต่างๆลานี้ไม่สามารถที่จะมาทำอะไรแก่จิตใจของพวกเราได้เพราะจิตใจของพวกเรานี้ไม่ได้อยู่ในโลกนี้สิ่งที่อยู่ในโลกนี้ก็คือร่างกายของพวกเราแต่ตัวพวกเราเองนี้ไม่ได้อยู่ในโลกนี้ตัวพวกเรานี้อยู่อีกโลกหนึ่งที่เรียกว่าโลกทิพย์ แล้วเราใช้กระแสวิญญาณมาเกาะติดอยู่กับร่างกายเอาวิญญาณมาเกาะที่ตาเอาวิญญาณมาเกาะที่หูเอาวิญญาณมาเกาะที่ที่ิ้นที่จมูกที่ร่างกายเพื่อจะได้รับข้อมูลต่างๆที่ร่างกายรับมาจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนั่นเอง นี่คือสิ่งที่พวกเราไม่รู้กันเพราะความหลงทําให้เราคิดว่าเราเป็นร่างกายเราอยู่ที่ร่างกายถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับร่างกายเราจะต้องเป็นไปกับร่างกายร่างกายตายเราก็จะต้องตายไปกับร่างกายอย่างนี่ร่างกายที่เรามีนี่มันตายไม่รู้กี่ล้านครั้งแล้วกี่ล้านล้านแล้ว เราไม่เห็นตายไปกับมันทัทีเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมเราก็มามีร่างกายอันใหม่อยู่เหมือนเดิมอันนี้เราไม่ดูกันเราไม่คิดกันเราไม่มีปัญญาพอที่จะรู้จะคิดจะเห็นได้ต้องคนฉลาดระดับพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นถึงจะสามารถ <c oughs> เห็นความจริงของจิตใจของพวกเรา เห็นความจริงของร่างกายของพวกเราว่าเป็นคนละส่วนกันอยู่คนละโลกกันอยู่คนละมิติกันโลกนี้เรียกว่าโลกกระธาตเป็นมิติหนึ่งโลกที่ใจของพวกเราอยู่กันนี้เรียกว่าโลกที่เป็นอีกมิติหนึ่งเหมือนกับโลกนี้กับพระจันดวงจันเป็นคนละโลกกันคนละที่กันโลกนี้ระเบิดไป พระจันร์ไม่ได้ระเบิดไปกับโลกคนที่อยู่บนโลกพระจัน์ก็จะไม่เดือดร้อนกับการระเบิดกับการพังทลายของโลกนี้ดังนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับโลกนี้กับร่างกายอันนี้มันไม่มีผลอะไรไปกับจิตใจของพวกเราเพราะจิตใจของพวกเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้ เพีงแต่ความหลงมันหลอกให้เราคิดว่าเราเป็นอะไรไปกับร่างกายอันนี้เท่านั้นเองเหมือนกับเราไปดูภาพยนตร์เราเป็นคนดูกับภาพยนตร์ที่เราดูนี้มันเป็นคนลส่วนกันในจอภาพยนตร์เขาจะยิงกันตูมตามระเบิดกันตูมตามจะฆ่าจะฟันกันอจะทําอะไรกันนี้เราไม่ได้ มีผลกระทบกับเหตุการณ์บนจอภาพยนตร์เลยแต่ใจเรายังกลับไปวุ่นวายไปกับาภาพยนตร์ที่เราเห็นอยู่นั่นก็เหมือนกับเราขณะนี้ร่างกายของเราก็เป็นตัวที่มารับภาพต่างๆมารับเสียงต่างๆโลกนี้ก็เปรียบเหมือนกับโรงละครโรงภาพยนตร์จอภาพยนตร์ หรือตัวภา พ, พยนตร์ตัวร่างกายเหล่านี้ก็มารับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภา พ, พยนตร์แล้วก็ส่งไปให้เราที่เป็นเหมือนคนดูเราก็นั่งดูนั่งฟังไปแล้วเราก็ไปดีอกดีใจไปเสียอกเสียใจกับเหตุการณ์ต่างๆที่ร่างกายได้ไปสัมผัสนับรู้มา ได้เงินได้ทองมาก็ดี อ, อกดีใจกันพอเสียเงินเสียทองไปก็เสีย อ, อกเสียใจกันพอหนังจบพอภาพยนตร์จบก็เวลาที่ร่างกายนี้มันไม่สามารถที่จะรับข้อมูลต่างๆจากทางตาหูจมูกรินกายได้ก็เป็นเหมือนกับเวลาที่ภาพยนตร์จบภาพยนตร์จบคนดูก็ออกจากโรงไปเท่านั้นเอง คนดูก็ไม่ได้อะไรจากภาพที่ที่ได้ดูได้ฟังไม่ได้เสียอะไรคนดูก็เพียงแต่ดูไปแล้วก็ดีใจเสียใจไปกับภาพพยมเท่า น, นั้นเองนี่คือใจของพวกเราที่ไม่ได้ไม่เสียอะไรกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกนี้ที่เกิดขึ้นกับร่างกายอันนี้ จิตใจไม่ได้เวลาร่างกายได้เงินทองมาได้ร่ำได้รวยจิตใจก็ไม่ได้รวยไม่ได้แตะเงินทองแม้แต่ บ, บาทเดียวผู้ที่จับเงินทองก็คือร่างกายนี้เองใจไม่ได้จับเลยใจเป็นเพียงสั่งให้ร่างกายจับเท่านั้นเองสั่งให้ร่างกายรับเงินมาสั่งให้ร่างกายนับเงินนับทองมาแต่ใจนี้เป็นเพียงแต่ผู้รับรู้ การรับเงินทองของร่างกายนี้เท่านั้นหรือเวลาการรับประทานอะไรหรือดื่มอะไรก็ร่างกายเป็นผู้ดื่มเป็นผู้รับประทานใจเป็นเพียงแต่ผู้รับรู้การรับประทานของร่างกายการดื่มของร่างกายใจไม่ได้ดื่มเลยใจจึงหิวอยู่เรื่อยๆยิ่งให้ร่างกายกินมากเท่าไหร่ยิ่งกลับหิวมากขึ้นไปเท่านั้น กินจะกระทั่งร่างกายพองเป็นตุ่มแต่ใจนี่พร้อมกระหล่ำกระแหงใจนี่หิวตลอดเวลาเพราะใจไม่ได้กินอาหารของใจใจไปกินนะใจไปให้ร่างกายกินอาหารของร่างกายแล้วคิดว่าการกินอาหารของร่างกายแล้วจะทําให้ใจอิ่มใจมันไม่อิ่มใจมันหิวมันโหยอยู่ตลอดเวลาเพราะเราไม่เคย ให้อาหารกับใจเลยบัวแต่ให้อาหารกับร่างกายร่างกายนี้อิ่มหนี้พีมันแต่ใจนี้พร้อมกระหลองกระแหลงพร้อมเหมือนกับตอนที่พระพุทธเจ้าสองอดทกายอาหารสี่สิบเก้าวันนั่นแหละใจของเรามันพร้อมอย่างนั้นมันหิวอยู่ตลอดเวลามันอยากอยู่ตลอดเวลาเพราะเราไม่ให้อาหารกับแก่ใจนั่นเอง เราโมวแต่ไปให้อาหารให้สิ่งต่างๆกับร่างกายใจของเราก็เลยหิวโหยเหมือนกับเป็นขอทานยพระพุทธเจ้ามาส่งคนพบความจริงว่าการเลี้ยงดูร่างกายมากเกินไปนี้มันไม่ได้ทําให้เลี้ยงดูจิตใจเลยอาหารของร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นอาหารของจิตใจน อาหารของจิตใจคือการกระทำความดีต่างๆการกระทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจจะเป็นอาหารให้แก่จิตใจจะเป็นทรัพย์ของจิตใจมีการทำความดีมากน้อยเพียงไรจะมีทรัพย์มากน้อยขึ้นไปเพียงนั้นจะมีความอิ่มมีความพอมากขึ้นไปเรื่อยๆ นี่คืออาหารที่แท้จริงของใจคือการกระทำความดีต่างๆ <c oughs> การคิดดีพูดดีทำดีจะนำมาซึ่งความสุขใจความอิ่มใจความพอใจความพอใจนี้ก็แสดงว่ามีมากถึงพอใจถ้ายัางมีไม่มากก็ยังเรียกว่าไม่พอใจอยังไม่พอ นี่แหละคือเรื่องของชีวิตของพวกเราจิตใจของพวกเราที่พวกเราสามารถที่จะทำให้ดีขึ้นหรือเร็วลงก็ได้ถ้าเรารู้ว่าอะไรทำให้เร็วลงถ้าเราไม่อยากให้มันเร็วลงเราก็อย่าไปทำมันถ้าอะไรที่ทำแล้วให้จิตใจเราดีขึ้นเราก็ทำมันไปทำแล้ว จิตใจของเราก็จะดีขึ้นไปตามลำดับดีไปจนถึงขั้นสูงสุดเลยขั้นของพระพุทธเจ้าขั้นของพระอรหันตสาวกจิตใจทุกดวงเหมือนกันมีสิทธิ์ที่จะก้าวไปสู่จุดสูงสุดได้ทุกดวงเหมือนกันไม่มีอะไรมาห้ามไม่มีอะไรมาขวางได้ถ้ามีเหตุที่จะทำให้จิตนั้นจเจริญ พัฒนาขึ้นไปเส่นที่จะมาขวางก็คือโมหะาอาวิชานี่แหละคือความโง่ความหลงความไม่รู้ธรรมชาติของจิตของใจว่าจะเิญได้อย่างไรจะสุขได้อย่างไรไม่รู้ว่าจิตและใจนี้ไม่ได้เป็นร่างกายไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้มีไม่ได้อยู่ในร่างกาย ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายอันนี้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาส่งตัดรู้ความจริงอันนี้ทุกคนในโลกนี้จะไม่รู้อยาคิดว่าร่างกายนี้เป็นจิตใจจิตใจเป็นร่างกายเวลาร่างกายเป็นอะไรจิตใจก็เดือดร้อนทุกทรมานใจทั้งๆ ท, ง ท, งที่ตัวร่างกายมันเองกลับไม่ เดือดร้อนไม่ทุกข์ทรมานใจใจอย่างใดเพราะตัวร่างกายมันไม่รู้อะไรมันไม่มีการรับรู้มันไม่มีดวงวิญญาณในตัวของมันเองมันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟไม่มีธาตุรู้ธาตุรู้นี่อยู่ที่ใจอต่ไม่ได้อยู่กับร่างกายอยู่คนละมิติกันธาตุรู้อยู่ในโลกธาตุนี้ ถ้ารู้อธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟอยู่ในโลกธกาตุโลกที่ร่างกายนี้อยู่กันเรียกว่าโลกธกาตุโลกที่จิตใจอยู่นี้เรียกแล้วเรียกว่าโลกทิพย์นี่คือสิ่งที่เราไม่รู้กันแต่ตอนนี้เราได้รู้กันแล้วก็อยู่ที่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อสิ่งที่ รู้นี้ก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรเพราะถ้าเราไม่เชื่อเราก็จะเชื่อในสิ่งที่เราเชื่อเราก็ยังจะเชื่อว่าเราเป็นร่างกา ย, เ, ยเราก็จะเชื่อว่าความสุขความเจริญของเราอยู่ที่ความสุขความเจริญทางร่างกา ย, ยความสุขทางราบยศสรรเสริญความเจริญทางราบยศสรรเสริญความเจริญทางรูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะ ถ้าเรามีความเชื่อแบบนี้เราก็จะต้องมาหาราบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นลดโพธพะพให้มีมากขึ้นไปเพราะเราคิดว่านี่แหละคือการเจริญเติบโตการเจริญก้าวหน้าปีนี้ต้องรวยกว่าปีที่แล้วต้องมีตาแหน่งสูงกว่าปีที่แล้วต้องมีคนยกย่องสรรเสริญมากกว่าปีที่แล้ว ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสผทิ ภ, ภัคือข้าวของเงินทองสิ่งของอะไรต่างๆบุคคลต่างๆที่เราสัมผัสด้วยตาหูจมูกลิ้นกายของเราต้องมีมากขึ้นต้องมีดีกว่าดีดีกว่าเก่าอันนี้มันก็จะเป็นความเจริญที่ไม่ยั่งยืนเป็นความเจริญชั่วคราว และไม่ได้ทําให้จิตใจของเราเจริญไปตามกับการเจริญของลาบยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรดเลยใจของเรานี้ไม่ได้เจริญหรือเสื่อมไปกับการเจริญของลาบยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรดต่างๆใจของเรานี้เจริญหรือเสื่อมอยู่ที่การทําความดีทางกายทางวาจาและทางใจลึก การทำไม่ดีทางกายทางวาจาและทางใจเท่านั้นการเจริญของใจนี้เป็นการเจริญที่ยั่งยืนที่ถาวรถ้าลองได้เจริญถึงขั้นที่ไม่เสื่อมแล้วก็จะไม่เสือ่อมเช่นพอได้เจริญถึงขั้นของพระอริยบุคคลสี่ประเภทพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามี พระอรหันถ้าไปเจริญถึงขั้นนั้นแล้วก็จะไม่มีวันเสื่อมลงมาจะไม่เสื่อมลงมาเป็นพรหมเป็นเทพเป็นมนุษย์เป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นนสุลกายหรือเป็นนรกจะมีแต่จะเจริญสูงขึ้นไปเรื่อยๆอยากการเป็นโสดาบันก็จะขึ้นไปสู่การเป็นพระสกิดาคามีจากพระสกิดาขามีก็จะไปเป็นพระอนาคามี จากพระอนาคามีก็จะไปเป็นพระอาหารหันต์เป็นพระพุทธเจ้าตามลาดับต่อไปนี่คือเรื่องของความเจริญของจิตใจถ้าอยู่เจริญถึงขั้นที่ไม่เสื่อมแล้วก็จะไม่มีวันเสื่อมในแต่ละขั้นนี้จะไม่เสื่อมลงมาจากโสดาบันก็ไม่เสื่อมลงมาเป็นปุตุชนจากสกิราคามีก็ไม่เสื่อมลงมาเป็นโสดาบัน จากอนาคามีก็ไม่เสื่อมลงมาเป็นสกิดาคามีจากอรหันต์จากพระพุทธเจ้าก็จะไม่เสื่อมลงมาเป็น อ, อนาคามีแต่ถ้ายังอยู่ในระดับของปุตุชนอยู่นี้จิตใจยังมีการเจริญมีการเสื่อมได้ปุตุชนนี้สามารถเจริญขึ้นไปถึงระดับพรหมโลกได้เป็นพรหมได้แต่ จะต้องเสื่อมลงมาจากสวรรค์ชั้นพรมลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทพจากสวรรค์ชั้นเทพก็จะเสื่อมลงมาเป็นมนุษย์แล้วถ้ามาทาบาปทาไม่ดีคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีก็จะเสื่อมลงไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรเป็นอสูรกายเป็นนรกต่อไปแต่ก็เป็นการ การเสื่อมทั่วข่าวเท่นั้นพอบาปที่ทำไว้ได้หมดไปได้ใช้กรรมหมดไปจิตก็จะขึ้นมาใหม่กลับขึ้นมาสู่ความเป็นมนุษย์ใหม่จากเดรัจฉานก็มาเป็นมนุษย์แล้วก็มาทำความดีทำความไม่ดีต่อไปทำบุญหรือทำบาปต่อไป ถ้าทำดีทำบุญรักษาสีมนั่งสมาธิก็จะขึ้นไปตามลำดับไปจนถึงสวรรค์ชั้นพรหมถ้าจะขึ้นไปสู่ระดับของพระอริยเจ้าก็ต้องมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้มาสอนขั้นปัญญาขั้นปัญญานี้เป็นเป็นของพระพุทธศาสนาเพียงเพียงผู้เดียว ถ้ายุคใดสมัยใดไม่มีพระพุทธศาสนาการพัฒนาทางจิตใจจะไม่สามารถขึ้นไปถึงระดับที่ไม่เสื่อมได้จะยังอยู่ในระดับของปุตุชนอยู่จะอยู่ในระดับของพรหมเป็นขั้นสูงสุดแล้วก็จะเสื่อมลงมาเป็นเทพเป็นมนุษย์ตามลำดับต่อไปแต่ถ้ามีพระพุทธศาสนามาสอนเรื่องปัญญาสอนเรื่องไตร ล, ลักษ สอนเรื่องอสุภะสอนเรื่องอาหารเลยปฏิกูรสัญญาสอนรากเรื่องธาตุสี่ดินน้ำลมไฟสอนเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาสอนเรื่องอริยสัจ ส, สี่ทุกสมุทัยนิโรธมากอันนี้เป็นปัญญาของพระพุทธศาสนาเพียงศาสนาเดียวศาสนาอื่นนี้ไม่มีใครมีความสามารถที่จะค้นพบความรู้ อันนี้ได้ไม่มีใครสามารถค้นพบสัพเพธ昙มาอนัตตาได้ไม่มีใครสามารถค้นพบทุกสมุทัยนิโรธมรรคได้ต้องเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถค้นพบความจริงความรู้อันนี้ได้พอมีพระพุทธเจ้าค้นพบความจริงรู้ความรู้อันนี้แล้วนำม า, มาเผยแผ่สั่งสอน ให้แก่ปุตุชนธรรมดาอย่างพวกเราถ้าพวกเรามีพลังกำลังที่จะรับคำสอนไปปฏิบัติได้เราก็จะสามารถบรรลุถึงความดีที่ไม่เสื่อมได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นพระสะกิดาคามีพระอนาคามีพระอาหารหันได้ต้องมี พระพุทธศาสนาถึงจะขึ้นไปสู่ระดับที่ไม่เสื่อมได้พอพระพุทธศาสนานี้หมดไปจากโลกนี้ผู้บำเพ็ญก็จะไม่สามารถที่จะบำเพ็ญให้ขึ้นสู่ขั้นที่เสื่อไม่เสื่อมได้ก็ยังจะต้องบำเพ็ญอยู่ในขั้นที่เสื่อมอยู่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปแต่ถ้าได้ขึ้นสู่ขั้นที่ไม่เสื่อม ก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดพอถึงขั้นสูงสุดก็ถึงขั้นที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดตามมาอีกต่อไปเพราะเหตุที่ทําให้มีการเวียนว่ายตายเกิดนั้นได้ถูกปัญญาที่พระเจ้าได้ทรงค้นพบนี้ทําลายไปหมดเส้นจากจิตจากใจก็คือกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาที่เป็นตัวผลักดันให้จิตใจกลับมาเกิดแก่เจ็บตาย ในพบน้อยพบใหญ่อยู่อย่างไม่ไม่มีวันหยุดวันหย่อนมีอย่างต่อเนื่องพอตายไปปุ๊บก็ไปเกิดเ อ, ก, เอกชัดเ อ, ก, เอกพหนึ่งเลยไม่มีร่างกายปุ๊บนี่ก็จะไปเป็นเปรต เ, เลยก็ได้เป็นเทวดาเลยก็ได้เป็นพรหมเลยก็ได้หรือถ้าเป็นเดรัจฉานก็ต้องรอให้ร่างกายคลอดออกมาจากท้องของแม่ก่อน ถ้าเป็นแมวก็ต้องไปอยู่ในท้องแม่ก่อนแม่แมวก่อนจนกว่าร่างกายจะโตเต็มที่ถึงจะคลอดออกมาเป็นเดรัจฉานได้แต่มันเป็นทันทีเพราะใจเรากำลังสร้างความเป็นอะไรต่างๆอยู่ในขณะนี้เรากำลังสร้างความเป็นมนุษย์สร้างความเป็นเทพสร้างความเป็นพรหมสร้างความเป็นพระอริยะ กำลังสร้างความเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุลกายเป็นนรกด้วยการกระทาของเหล่านี้เองการกระทาทางกายทางวาจาและทางใจถ้าเป็นการทาบาปก็กาลังสร้างการเป็นเดรัจฉานทำบาปด้วยความหลงก็จะเป็นเดรัจฉานทั้งๆ ท, ง ท, งที่ร่างกายนี้ยังเป็นมนุษย์อยู่ถ้าทำบาปด้วยความโลภจิตใจก็กลายเป็นเปรต ถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็เป็นอสุ ร, รกายถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทเกลียดแค้นโกรธเกลียดก็จะเป็นนรกขึ้นมาทันทีทั้งๆ ท, ที่ยังมีร่างกายพอไม่มีร่างกายก็จะไปเป็นอย่างเต็มที่ในขณะที่มีร่างกายนี้ยังเปลี่ยนได้ยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้วันนี้มาทำบุญมานั่งฟังเทศฟังธรรม ตอนนี้กําลังไปเป็น เ, เทวดากันไปเป็นพรหมกันหรือไปเป็นพระอริยบุคคลกันเกิดอยู่กับความสามารถที่จะน้อมเอ า, เ, อาเหตุที่จะทําให้เป็นอะไรต่างๆนี้มาปฏิบัติกับจิตใจของเร า, เาถ้าเราทําบุญทําทานได้รักษาศีลได้เราก็ได้เอาเทวดามาเป็นจิตใจของเราแล้ว ถ้าเรานั่งสมาธิทำใจให้สงบได้เราก็เอาพรมเข้ามาจิตใจของเราแล้วถ้าเราโปร่งได้เห็นตายรักเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมากเราก็เป็นโสดาบันได้เป็นสกิรดาคามีได้เป็นอนาคามีได้ถ้าเป็นโสดาวันป๊อบนี่จะไม่เป็นอย่างอื่นละแต่ถ้ายังไม่ได้เป็นโสดาบัน ก็ยังมีโอกาสที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ในขณะที่มีชีวิตอยู่วันนี้นั่งสมาธิก็เป็นพรหมตรงนี้ไปนอนกบแฟก็ปลายกลายเป็นเทศไปมาเลนี้ก็ไปทำบาป ท, ทำกรรมก็กลายเป็นเดรัจฉานไปนี่คือการกระทาของพวกเราที่ทำให้ชีวิตของเราจิตใจของเราสูงขึ้นหรือต่าลงดีขึ้นหรือเลวลง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับภาวะของโลกนี้เลยว่าจะเป็นภาวะที่ดีหรือไม่เศรษฐกิจจ ะ, ะดีหรือไม่ปีนี้สงครามจะมีหรือไม่ภัยแล้งจะมีหรือไม่น้ําท่วมจะมีหรือไม่เหตุการณ์อะไรต่างๆนั้นไม่สามารถมาทําให้จิตใจเราเร็วลงหรือดีขึ้นได้สิ่งที่จะทําให้จิตใจของเราเร็วลง หรือดีขึ้นนี้อยู่ที่การกระทาทางกายทางวาจาและทางใจของพวกเราเท่านั้นดังนั้นถ้าเราอยากจะให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่ดีกว่าปีก่อนเราก็ต้องทำการกระทาของเราให้ดีกว่าปีที่แล้วการกระทาทางกายทางวาจาและทางใจต้องดีกว่าปีที่แล้วไม่ใช่ว่าเ็วกว่าปีที่แล้ว ถ้าโลภโกรธหลงมากขึ้นอันนี้แสดงว่าเลวกว่าปีที่แล้วถ้าโลภโกรธหลงน้อยตรงนี้แสดงว่าดีกว่าปีที่แล้วถ้าทำบุญมากขึ้นเรียกว่าดีกว่าปีที่แล้วถ้าทาบาปมากขึ้นก็เรียกว่าเลวกว่าปีที่แล้วถ้าบําเพ็ญปฏิบัติธรรมได้มากกว่าปีที่แล้วปีนี้ก็จะดีกว่าปีที่แล้วถ้าทาบุญถ้าปฏิบัติธรรมน้อยกว่าปีที่แล้วปีนี้ก็จะ เร็วกว่าปีที่แล้วอยู่ที่การปฏิบัติของเราทางกายทางวาจาและทางใจและการที่เราจะทำให้ปีนี้ดีกว่าปีที่แล้วให้มีการกระทาที่ดีกว่าปีที่แล้วได้เราต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือพระพุทธเจ้าท่านส่งมอบเครื่องไม้เครื่องมือให้แก่พวกเราว่าถ้าอยากจะให้ปีนี้ดีกว่าปีที่แล้วเราต้องตั้งสัจจะอธิษฐานกัน สัจจะแปลว่าความจริงใจความแน่วแน่อธิฐานคือความตั้งใจหรือตั้งเป้าหมายเช่นปีนี้เราจะตั้งเป้าหมายว่าเราจะทำดีกว่าปีที่แล้วเราจะคิดดีพูดดีทำดีกว่าปีที่แล้วอันนี้เรียกว่าอธิฐานคือการตั้งใจเมื่อตั้งใจแล้วเราก็ต้องมีสัจจะคือความจริงใจความแน่วแน่ต่ อ, อการตั้งใจ คือถ้าตั้งแล้วถ้ามีสัจจะจะไม่ล้มไม่เลิกแต่ถ้าไม่มีสัจจะนี่มันก็จะล้มได้เหมือนกับที่เราเคยตั้งสัจจะอธิษฐานมากันทุกปีตอนต้นปีเราก็ตั้งสัจจะอธิษฐานกันว่าจะทาอย่างนั้นจะทาอย่างนี้กันพอทาไปได้สักไม่กี่วันก็ลืมไปซะแล้วเลิกทำไปโดยไม่รู้สึกตัวนี่เรียกว่าไม่มี มีอธิษฐานแต่ไม่มีสัจจะไม่มีความจริงใจความแน่วแน่ต่อการตั้งตั้งอธิษฐานของเราดัางนั้น mm. เพื่อที่จะทำให้การอธิษฐานของเราไม่ล้มเหลวความตั้งใจความปรารถนาที่ดีของเรานี้ไม่ให้ล้มเหลวเราต้องมีสัจจะต้องเป็นคนที่จรงิงจังจรงิจรงใจไม่โกหกตัวเองไม่หลอกตัวเองพวกเราชอบหลอกตัวเองเร พรุ่งนี้จะทำให้ดีกว่าวันนี้พอถึงพรุ่งนี้ก็ลืมแล้วว่าได้สั่งตัวเองไว้ว่าไงพอถึงเวลามีอะไรมากระทบหน่อยก็ไปแล้วมีเพื่อนมาชวนให้ไปกินเหล้ากับไปแล้วมีเชิญชวนให้ไปเที่ยวกับไปแล้วแทนที่จะไปวัดไปปฏิบัติธรรมตามที่ได้ตั้งใจไว้ก็ไม่ได้ไปกันเพราะไม่มีสัจจะมีความตั้งใจในวันขึ้นปีใหม่ ว่าจะทำความดีให้มากกว่าปีที่แล้วแต่ไม่มีสัจจะพอถึงเวลาเจอเหตุการณ์เข้าก็เลยลืมไปเลยสัจจะหายไปเลยอธิษฐานหายไปเลยถ้าเป็นอย่างนี้ต่อให้ตั้งสัจจะอธิษฐานกี่ครั้งกี่ปีมันก็เหมือนเดิมแล้วดีไม่ดีอาจจะเร็วกว่าเดิมเสื้อด้วยซ้ำไปเพราะการไปทางต่ำนี้มันง่ายกว่าการไปทางสูง การไปทางสูงนี่เป็นเหมือนกับการปีนเขานอกจากการมีสัจจะอธิษฐานแล้วยังต้องมีความอดทนต้องมีความเพียรพยายามอย่างแก่กล้าถ้าจะหวังให้มันเป็นแบบทางที่โรยด้วยดอกกลีบกุหลาบนี่ก็ก็คงจะไปในทางที่ดีไม่ได้เพราะทางที่จะไปดีนี่มันเป็นทางที่เต็มไวได้วยขวากน้นาชนิดต่างๆ เป็นทางที่เราต้องปีนป่ายถ้าไม่มีความเพียรพยายามไม่มีความอดทนนี้ไปไม่ได้พอจะฟักกระเป๋ามาทําบุญนี้เดี๋ยวกิลเลสมันก็บอกกระเป๋าสวยนะเสื้อผ้าสวยนะขนมน ม, นมเนยนี่น่ากินนะเอาไปทําบุญทําไมมากินไม่ดีกว่าเลยได้ความสุขเดี๋ยวนี้เลยความสุขจากการทําบุญนี้เมื่อเมื่อไหร่จะได้ก็ไม่รู้ ตายไปแล้วมีผลจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้มีสวรรค์จริงหรือไม่มีสวรรค์จริงก็ไม่รู้อีกเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่มีสัจจะอธิษฐานไม่มีความอดทนไม่มีความเพียรพยายามพอพอจะทำอะไรแล้วมีอะไรมาเป็นอุปสรรคมีอะไรมาหลอกมาล่อก็จะล้มเหลวไปทันที ดังนั้นถ้าเราอยากจะให้การกระทาของเราในปีใหม่นี้ดีกว่าปีเก่าเราต้องตั้งศัจจะอธิษฐานแล้วก็ต้องเพียรพยายามทำตามที่เราตั้งใจให้ได้เช่นเราจะรักษาศีลห้าถ้าเรายังรักษาศีลห้าไม่ได้เราจะรักษาศีลห้าไปทุกวันให้ได้อันนี้ก็ลองดูสิว่าจะทำได้หรือไม่ถ้าเรารักษาศีลห้าได้ทุกวันแล้ว เราจะเพิ่มจะรักษาศีลแปดในวันพระถ้าเรารักษาศีลแปดในวันพระได้แล้วเราจะเพิ่มเป็นสามวันได้ไหมก่อนวันพระและหลังวันพระแล้วันพระเพิ่มขึ้นไปสามวันถ้าได้สามวันแล้วก็ลองห้าวันดูได้ห้าวันก็ลองเจ็ดวันดูมันต้องตั้งเป้าตั้งสัศจะอธิษฐาน ปีที่แล้วเรารักษาศีลห้าได้แล้วแต่ยังไม่ได้รักษาศีลแปดปีนี้ต้องเอาแล้วอย่างน้อยก็วันพระหนึ่งวันและที่จะต้องรักษาศีลแปดให้ได้ปีที่แล้วมาทำบุญที่วัดเดือนละครั้งปีนี้จะเพิ่มเป็นมาทุกอาทิตย์เดือนละสี่ครั้งอันนี้ถ้าเราไม่ตั้งเป้าหมายเราก็จะไม่ได้ทำตามที่เราตั้งนั่นเอง ขนาดที่ตั้งแล้วมันยังที่ลบได้เลยแล้วถ้าไม่ได้ตั้งนี้มันจะทําได้อย่างไรดังนั้นเราต้องตั้งเป้าหมายให้การกระทําของเรานี้ดีขึ้นมากขึ้นกว่าปีที่แล้วอชีวิ ต, ตจิตใจของเราถึงจะดีขึ้นตามการกระทําของเราอย่างที่บอกว่าจิตใจของเราจะดีขึ้นหรือเร็วลงไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าเรารวยขึ้นหรือเราจนลง เ, นเราจนลงเรายังสามารถทําให้จิตใจเราดีขึ้นได้ เพราะการทำความดีนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการใช้เงินทองทำเพียงอย่างเดียวถ้าเราไม่มีเงินทาบุญทำทานก็ไม่ต้องทาก็ได้เรามาเพิ่มการรักษาศีลให้มากขึ้นมันก็จะได้ความดีมากกว่าการทำบุญทำทานซิยิ่งยากจนยิ่งดีใหญ่ยิ่งตกงานยิ่งดีใหญ่ไม่มีงานทำจะได้มีเวลามาทำความดีทางจิตใจให้เพิ่มมากขึ้นการรักษาศีลได้มากขึ้น มานั่งสมาธิได้บ่อยขึ้นออมาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศฟังธรรมให้มากขึ้นนี่การกระทําเหล่านี้ต่างหากที่จะเป็นตัววัดความเจริญของชีวิตจิตใจของพวกเราไม่ใชออ่ความร่ำรวยไม่ใช่ตำแหน่งมีนี้ได้เลื่อนขั้ น, เ, ออ เ, ป น, น, นเป็นนู่นเป็นนี่แต่ถ้าจิตใจยังเร็วเหมือนเดิมหรือเร็วกว่าเดิมมันไม่ได้ขึ้นแล้วจิตใจไม่ได้ขึ้น ถ้าการกระทําทางกายทางวาจาใจนี้มันเร็วกว่าปีที่แล้วถึงแม้ว่าจะขึ้นทางราบยศสรรเสริญขึ้นทางรูปเสียงกลิ่นลดจต่จิตใจของเรานี้กลับลงต่ําไปถ้าทําบาปมากขึ้นโลภโกรธหลงมากขึ้นนี้ตัวนี้แหละเป็นตัวว่าจิตใจว่าจะสูงขึ้นหรือจะเร็วลงไม่ได้อยู่ที่อ การเจริญของราบยศ ส, สรเสญของรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะการเจริญของพวกนี้เดี๋ยวมันจะต้องเสื่อมมันจะต้องหมดไปเดี๋ยวร่างกายมันก็จะแก่ลงไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วในที่สุดมันก็ตายไปพอตายไปราบยศ ส, สรเสนต่างๆรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็หมดไปไม่ได้เอาไปกับจิตใจเลย สิ่งที่จะจิตใจจะเอาไปได้ก็ความดีหรือความไม่ดีที่ได้ทำไว้เท่านั้นเองถ้าทำดีก็จะได้เอาความเป็นมนุษย์ไปเอาความเป็นเทวดาไปเอาความเป็นพรหมไปเอาความเป็นพระอริยบุคคลไปเอาการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไปถ้าทำบาปก็จะเอาบาปไปเอาเดรัชานไปเอาเปรตไป เอาสูญละกายไปเอานารกไปนี่คือตัวที่วัดความเจริญหรือความเสื่อมของชีวิต จ, จิตใจของพวกเราอย่าไปหลงวัดด้วยการเจริญทางร่างกายทางลาบยศสรรเสริญร่างกายนี้มันไม่เจริญมันมีแต่จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆ เ, เกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายไปในที่สุด งันเราอย่าให้ความสําคัญกับการสแสวงหาลาบยศจราเสินแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกร่างกายสแสวงหาความเจริญของทางร่างกายเลยเพราะมันจะต้องเสื่อมลงไปในที่สุดและมันไม่ได้เป็นตัววัดที่ตัวที่จะทําให้จิตใจเราเจริญแต่อย่างใดกับจะเป็นตัวที่ทําให้จิตใจเราเสื่อมลงไป เก็จะทําให้เกิดกิเรตันหาเพิ่มมากขึ้นพอได้มากขึ้นก็อยากจะได้มากขึ้นไปอีกนอยากพอได้คืบก็อยากจะได้ศอกพอได้ศอกก็อยากจะได้วามันจะไม่มีวันจบนแล้วพออยากแล้วก็จะทําให้ต้องไปทําอะไรต่างๆเพื่อให้ได้ตามความอยากถ้าต้องทําบาปก็จะทำํำเพราะไม่กลัวบาปไม่เชื่อบาปน ไม่คิดว่าตายไปแล้วจะต้องไปเป็นอะไรคิดว่าตายไปแล้วก็จบดังนั้นตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่รีบหามามากๆทํามากๆจะได้มีความสุขมากๆในขณะที่มีชีวิตอยู่แต่ไม่รู้ว่าถ้าทําด้วยการทําบาปนี่จิตใจจะทุกข์มากขึ้นจะเลวลงไปมากขึ้นแล้วเวลาตายไปก็ยังต้องไปเป็น อะไรต่างๆในอบายอีกต่อไปจิตใจไม่ได้จบที่การตายของร่างกายการเวียนว่ายตายเกิดของจิตใจจะจบที่การตายของกิเลสตัณหาของความโลภความโกรธความหลงถ้าเพิ่มกิเลสตัณหาก็เท่ากับเพิ่มการเวียนว่ายตายเกิดของจิตใจให้มีเพิ่มมากขึ้นไปไม่ได้ทําให้มันน้อยลงไปน ต้องการให้การเวียนว่ายตายเกิดมันน้อยลงไปต้องลดความโลภความโกรธความหลงลดตัณหาความอยากต่างๆให้มันน้อยลงไปและให้หมดไปให้ได้ถ้ามันหมดแล้วจิตใจของเราก็ยุติการเวียนว่ายตายเกิดจิตใจของเราก็ได้ถึงที่ที่ดีที่สุดที่จิตใจจะสามารถไปถึงได้ก็คือไปพระนิพพาน นี่คือเรื่องของปีใหม่ของพวกเราถ้าพวกเราอยากจะให้ชีวิตจิตใจของเราดีกว่าปีที่แล้วขอให้เรามาตั้งสัจจะอธิษฐานกันว่าเราจะทำความดีให้มากขึ้นกว่าเดิมละการกระทำบาปให้น้อยลงไปแล้วชําระใจของเราให้กิเลสตัณหาโมหะวิชาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆนี้ ให้มันเบาบางลงไปและให้มันหมดไปในที่สุดแล้วเราก็ต้องมีความแน่วแน่ต่อความตั้งใจมีสัจจะว่าเราจะต้องทําตามที่เราได้ตั้งใจเอาไว้แล้วเราก็ต้องเสริมด้วยความเพียรถ้าเราไม่เพียรเราก็จะไม่ได้ทํานั่นเองถึงแม้จะได้ตั้งไว้แล้วตั้งสัจจะไม่ล้มแต่ไม่ทํามันก็เหมือนกับไม่ได้มันก็เหมือนกับไม่ได้ไไดไไดตั้งอยู่ดี เมื่อตั้งแล้วต้องมีความเพียรแล้วถ้ามีอุปสรรคมีความยุ่งยากก็ต้องใช้ความอดทนใช้ขันติถ้าเรามีคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้มีสัจมีอธิษฐานมีสัจจะมีวิริยะมีขันติเราก็จะสามารถทำความดีต่างๆให้มีเพิ่มมากขึ้นได้เช่นเพิ่มความเมตตาให้มีมากขึ้น เพิ่มการทำทานให้มีการมากขึ้นเพิ่มการรักษาศีลห้าให้ได้มากขึ้นเพิ่มการรักษาศีลแปดให้ได้มากขึ้นเพิ่มการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิให้ได้มากขึ้นเพิ่มการฟังเทศฟังธรรมการเจริญปัญญาให้มากขึ้นถ้าเราสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ตามที่เราตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ ความเจริญของจิตใจนี้จะไม่ยัจะจะเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วและอาจจะสามารถไปถึงจุดสูงสุดได้ภายในภพนี้ชาตินี้เลยดังที่พระสาวกทั้งหลายได้ไปถึงกันท่านก็ไปในภพชาติอันเดียวกันนี้พอท่านได้มาพบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็น้อมนำเอาไปปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติด้วยความ ตั้งใจที่แน่วเนี่ด้วยความอดทนด้วยความขยันหมั่นเพียรเพียรสร้างเมตตาเพียรสร้างทานเพียรสร้างศีลเพียรสร้างเนคัมมะเพียรสร้างอุเบกขาเพียรสร้างปัญญาพ อ, อท่านให้เพียรเต็มที่แล้วการบรรลุเป็นพระอริยบุคคลข้างต่างๆก็ปรากฏขึ้นมากันอย่างง่ายดายและรวดเร็ว หลังท่านก็ภายในเจ็ดวันภายในเจ็ดเดือนหรือภายในเจ็ดปีไม่ต้องสะสมบุญบรารมีอย่างที่พระพุทธเจ้าต้องสะสมมาเป็นกลับเป็นกันเพราะตอนนี้มีผู้บอกทางแล้วผู้บอกเหตุว่าจะทําให้ได้ไปถึงจุดสูงสุดได้อย่างไรไม่ต้องทาทางไปเหมือนสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงบําเพ็ญ เพราะไม่มีใครรู้ทางเหมือนกับงมเข็มในมหาสมุทรแต่พอมีผู้งอมเข็มในมหาสมุทรเจอแล้วก็จะบอกทิศทางของเข็มว่าอยู่ตรงไหนพอเราพุ่งไปตรงจุดนั้นเดี๋ยวเราก็ไปงมเข็มในมหาสมุทรได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วนี่คือเรื่องของวันปีขึ้นปีใหม่ถ้าเราอยากจะทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นในปีใหม่นี้ ก็ขอให้เรามาตั้งจิตตั้งใจตั้งสัจจะอธิษฐานกันว่าเราจะทำความดีให้มากขึ้นกว่าปีที่แล้วและทำให้มากขึ้นไปให้เต็มร้อยให้ได้ว่าเราทำความดีทุกชนิดความดีทางกายทางวาจาและทางใจให้ครบร้อยได้แล้วรับรองได้ว่าการเจริญของจิตใจก็จะ จเจริญไปถึงขั้นสูงสุดได้อย่างที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้จเจริญกันอย่างแน่นอนจึงขอให้พวกเราจงมีความแน่วแน่ต่อพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแน่วแน่ต่ออธิษฐานความตั้งใจอันดีงามของพวกเราแล้วน้อมนําออกไปปฏิบัติด้วยความเพียรด้วยความอดทนแล้วสิ่งอันดีอันงามสิ่งที่เป็นสิริมงคลต่างๆ ก็จะเป็นผลตามมาอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่ใครท่านที่มีปัญหาอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย ก็ถ้าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วก็จะขอยุติกานถามตอบปัญหาออนนี้จะให้ทางพิธีกรนำเอาคำถามจากทางบ้านขึ้นมาถามก่อนอา้าวกราบเลยเอา้อากราบตรงนั้นนะเนีเ่ยอ่ากราบสวยๆคุบเขา่เอาอ้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อา่าดี เป็นคนดีแล้วเนี่ยถ้ากราบทุกวันได้ยิ่งดีหใหญ่นะหัดสอนให้ลูกกราบพระทุกวันนะก่อนนอนตื่นนอนนะก่อนจะนอนก็กราบพระก่อนแล้วกราบพ่อกราบแม่สองครั้งเป็นห้าครั้งะะนะอ่อไปอ่าขอเชิญถามได้คำถามจาก facebook ค่ะคำถามจากคุณเต้าวันนิสา อยากจะเรียนถามเกี่ยวกับจิตลอยค่ะซึ่งเป็นสภาวะหนึ่งที่ดิฉันเป็นในขณะ น, นี้และหาทางแก้ไขยังไม่ได้โดยปกติดิฉันนั่งสมาธิเกือบทุกวันแต่จิตไม่นิ่งเลยไม่เข้าถึงความสงบได้มีน้อยครั้งที่สงบลงด้วยเหตุปัจจัยแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยต่อการทำสมาธินะัก และหลักๆเลยคือสติตนเองยังอ่อนจึงยังโอนเอ็งไปตามสภาพแวดล้อมพยายามนึกถึงพุโทโธในทุกขณะที่รู้สุดตัวแต่ก็ไม่สามารถดึงสติให้มาอยู่กับตัวได้เลยค่ะจิตใจมันล่องลอยไม่อยู่กับตัวบ่อยครั้งจิตบอกว่าให้ไปนั่งสมาธิดึงจิตกลับมา แต่อีกจิตไม่ค่อยทำตามเหมือนมีบุคคลสองคนกำลังทะเลาะกันหากจิตใดเด่นกว่าก็ชนะไปต่อยครั้งอยากไปหาที่วิเวกอยู่กราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าดิฉันควรเริ่มต้นอย่างไรและควรปฏิบัติอย่างไรต่อไปดีเจ้าคะก็ตั้งตั้งสติให้ได้นะถ้ายัางตั้งสติไม่ได้ทำอะไรก็ทำไม่ได้เหมือนเด็กก่อนที่จะวิ่งได้มันก็ต้องยืนให้ได้ก่อน ถ้ายัางยืนไม่ได้มันก็วิ่งไม่ได้ถ้ายัางไม่มีสติก็นั่งสมาธิก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้คนไม่มีสติเช่นคนบ้านี้ทําอะไรได้เว่าปล่อยให้ใจลอยไปตามความคิดคนบ้ามันไม่มีสติขอยยับยังคอยคอยนำพาให้จิตคิดไปในทางที่ถูกที่ควรยังต้องพยายามฝึกสติให้ได้ ใจเย็นๆพุโทโธไปเรื่อยๆพอรู้ว่าเผอกับพุโทโธใหม่รู้ว่าเผอก็พุโทโธใหม่อย่าอยากให้มันเป็นทันทีทันใดอของนี้มันต้องใช้เวลาเหมือนปลูกต้นไม้ปลูกวันนี้รดน้ําวันนี้พรุ่งนี้อย่าให้มันพุ่งขึ้นมาเป็นต้นหน่อยได้ยังไงมันก็ค่อยๆจเจริญขึ้นมาที่เราเล็กเทียบน้อยดังนั้นต้องพยายามทําไปอย่าท้อแท้อย่ายอมแพ้ทําไปเรื่อยๆ ต้องเป็นเหมือนเต่าคานอย่าไปทำแบบกระต่ายทำปุ๊บได้ปั๊มแล้วดีตื่นเต้นดีใจแล้วก็เลิกทำทำแบบกรเต่านี้ไปพุโทโธไปเรื่อยๆพ อ, พอเผลอก็พุโทโธใหม่พุโทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันต้องได้เองนะถ้าเราใจเย็นๆทำไปเรื่อยๆดีวันนี้จะได้เลิกเร็วๆเดี๋ยวจบก็เลิกเลย หน่อยพูดมาสี่วันแล้ว ว, ว่ามาคำถามจากคุณพิมพรดิฉันมีเพื่อนแต่ไม่ใช่เพื่อนญาติธรรมเพื่อนคนนี้เขาจะนั่งสมาธิอยู่ที่บ้านแต่ไม่เคยไปวัดทำบุญใส่บาตเขาว่าทำอยู่บ้านดีกว่าถามพระอาจารย์ว่าเขาคิดแบบนี้ถูกหรือผิดค ะ, ะถ้าก็ดีกว่าก็ถูกเลยถ้าการนั่งนี้มันไม่จาเป็นจะต้องนั่งที่วัดหรือนั่งที่ไหน นั่งที่ไหนแล้วจิตมันได้ผลก็ใช้ได้ทั้งนั้นบางทีไปที่วัดมันกับวุ่นวายก็อยู่ที่บ้านอยู่บ้านเราอยู่คนเดียวพอไปอยู่วัดต้องไปอยู่กันหลายๆคนเวลาต้องมาทำกิจกรรมร่วมกันมันก็มีการกระทบกระทั่งทางอารมณ์ต่อกันถ้าไปอยู่วัดแบบที่มีคนเยอะๆก็อย่าไปดีกว่าสู้อยู่บ้านคนเดียวไม่ได้ ฉะนัมันคาว่าวัดนี้มันไม่ได้แปลว่ามีโบสถ์มีเจดีย์มีพระนะคาว่าวัดก็คือที่สงบที่จะเจริญธรรมที่พระเจ้าทรงสอนให้เจริญได้ฉะนั้นถ้าเราอยู่ที่ไหนที่เราเจริญธรรมที่พระเจ้าสอนให้เจริญได้ที่นั่นก็เป็นวัดของเราคำถามจากคุณศินีนาศ ผิดศีลข้อที่สามแล้วในชาตินี้กรรมส่งผลที่ไม่ดีต่อตอนเองแล้วหลังตายไปหรือชาติต่อต่อไปกรรมผิดศีลข้อที่สามจะหมดสิ้นไปหรือส่งผลต่อไปอีกไหมคะหมดไม่หมดก็ดูมันไปก็แล้วกันถ้ามันหมดมันก็หมดถ้ามันไม่หมดก็ไม่หมดเราจะมาวัดได้ยังไงใช่ไหมเมื่ยม อ, อยังต้องไปรับเคาะกรรมอยู่ก็ยังถือว่าไม่หมดถ้าอยากจะให้มันหมดก็อย่ามาเกิด วิธีเดียวเท่านั้นที่จะรู้ว่ากรรมถึงแม้มันจะไม่หมดก็มันก็ไม่สามารถมากระทบกับเราได้ถ้าเราไม่มาเกิดถ้ามาเกิดมันก็ยังต้องมีกรรมมาคอยรับอยู่นั่นฉั้นพยายามปฏิบัติเพื่อให้กับเพื่อเพื่ออย่าให้กับมาเกิดเมื่อไม่เกิดแล้วก็กรรมอันกรรมหนักหนาะสาหัสขนาดไหนก็ไม่สามารถแสดงผลให้กับเราได้ คำถามจากคุณทวิชาห น, หนูลึกซึ้งในพระธรรมที่พระอาจารย์แสดงค่ะรู้สึกว่าปล่อยวางกับทุกสิ่งรอบตัวไ ด, ได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงแต่หนูก็ยังไม่สามารถรวมจิตให้เป็นสมาธิบังคับจิตให้อยู่กับพุทโธ น, นานๆไม่ได้หนูมีสิทธิ์จะ บ, บรรลุธรรมได้ไหมคะได้ถ้าปัญญามีกาลังที่จะตัดความอยากตัดกิเลสตัณหาได้ก็บรรลุได้ แต่ถ้ามีสมาธิมันก็จะ ง, ง่ายขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่ถ้ามีปัญญาที่เฉียบแหลมที่สามารถเวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็หยุดมันได้มันก็บรรลุทําได้คําถามจากคุณนภพัฒขออนุญาตถามเกี่ยวกับห้องพระหน่อยเจ้าคะ่ะข้อที่หนึ่งเราต้องถวายน้ําดื่มสะอาดแก่พระพุทธรูปไหมเจ้าคะพระพุทธรูปดื่มได้หรือเปล่า ใช้เหตุใช่ผลเซอย่าไปให้พระพุทธรูปดื่มน้ำพระพุทธรูปดื่มได้ที่ไหนเนาะข้อที่สองหลังสวดมนต์นั่งสมาธิเสร็จแล้วบทสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดถ้าเราแผ่ไปถึงจะถึงเข่าไหมคะเห็นท่านอาจารย์ว่าถ้าแผ่เมตตาต้องแผ่ต่อหน้า แต่หลังบทสวดมีอยู่ให้กล่าวทุกเล่มเลยค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าจะถึงข่าวหรือเปล่าคะออที่ให้สวดนี่ไม่ได้ให้แผลก็้าใจัหยให้สวดเพื่อให้จำจมาใจหรืเปล่าสวดไว้จะได้จำได้ว่าเราต้องแผลเวลาเจอคนอเวลาอยู่คนเดียวไปแผลให้ใครยาวเงินไปแจกต้นไม้ใบหญ้าเลยมันไม่เอาหรอกอ ถ้าจะแจกเงินก็ต้องตอนที่มีคนเจอคนเลยเอาเอาไปห้าร้อยเอาไปพันในวันที่ปีใหม่ของขวัญแฮปปี้นิวเอียร์เนี่ยเรียกว่าแผ่เมตตาเวลาเจอคนแทนที่จะแผ่กับไปแยกเคี่ยวใส่กันไปด่ากันนี่ทีเ้าให้สวดเพื่อให้จำไม่เข้าใจหรือเปล่าไม่ใช่แผ่ทีพอไปใช้คำว่าแผ่ก็เลยคิดว่าแผ่กันมันไม่ได้แผ่มันไม่มีใครจะมารับการแผ่จะแผ่ได้อย่างไร การสวดสวดเพื่อให้จําว่เาเราต้องมีความเมตตานะต้องมีความปรารถนาให้สัตว์ ร, ร่วมโลกเถือดแก่เจ็บตายด้วยกันนี่มีแต่ความสุขความเจริญพอเราเจอหน้าเขาก็วิธีไหนที่ทําให้เขาสุขให้เขาเจริญก็ทําไปสิตอนนั้นน่ะเป็นวิธีแผ่เช่นปีใหม่นี้ก็หิ้วกระเช้าไปเลยเจอใครก็อแผ่เมตตายกกระเช้าของขวัญไปเลยเ เราได้ของขวัญมาเยอะเราเก็บไว้ก็ใช้ไม่ทันก็เอาไปแบ่งคนอื่นบางทีเราเป็นคนใหญ่คนโตมีลูกน้องเยอะคนนั้นก็เอากระเช้ามาให้วันนี้ก็ากระเช้ามาให้อันนี้ก็เอาไปแผ่เลยเนี่ยเก็บไว้ก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้กินก็เอาไปแผ่นี่เรียกว่าแผ่เมตตาต้องมีของแผ่ด้วยไม่ใช่แผ่แต่ใจคิดขอให้เธอมีความสุขความเจริญนะแต่บาทเดียวก็ไม่ให้ ขนมชิ้นหนึ่งก็ไม่ให้กินนี่ไม่จะไปแผ่อะไรตอนตอนที่นั่งสวดแผลเลยหรือเปล่ามีขนมให้ใครกินหรือเปล่ามีเงินให้ใครหรือเปล่าแล้วมันจะไปแผลอะไรแผ่ความคิดเนยใครใครก็คิดได้ความคิดเนี่ยแต่ความคิดมันไม่ได้เป็นอ่าเป็นอะไรที่คนเขาจะจะรับได้สิ่งที่เขาจะรับได้ก็คือข้าวของเงินทองการกระทาที่ดีงามของเรา เวลาเขาทุกข์เราก็ไปทําช่วยให้เขาคลายความทุกข์อย่างเงี้ยเขาเดือดร้อนก็ไปช่วยเหลือเขาอันนี้แหละถึงนี้เรียกว่าเป็นการแผ่ไม่ใช่นั่งสวดแล้วก็แผ่อธิบายไงก็ยังเถียงอยู่เนาะโอ้โหไม่รู้จะว่าไงมันสังเก็ก ล, ก ล, กเลนะเกินเนาะความเชื่อนี้เชื่อว่าพอได้สวดแล้วนี่ได้แผ่แล้วนั่นก็เป็นเทวดากันไปหมดแล้วเลยเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย คนนี้มีความเมตตานี้เขาบอกว่าเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเรายังเป็นที่รักของมนุษย์เทวดาทั้งหลายหรือเปล่ามีความสุขทั้งขณะที่ตื่นและขณะที่หลับหรือเปล่านอนหลับก็ไม่ฝันร้ายหรือเปล่าตายไปก็ไปสู่สุขติหรือเปล่าเวลาอยู่ก็จะไม่ตายด้วยสัตรวุธหรือยาพิษเนี่ยเพราะจะไม่มีใครเขาโกรธเขาเกลียดเราอาฆาตพยาบาทเรา พราเราไม่ไปทําให้ใครเขาทุกข์เขาเดือดร้อนการแผ่เมตตานี้ไม่ได้ทําให้ใครเขาทุกข์เขาเดือดร้อนมีแต่ให้เขามีความสุขกันคำถามจากเด็กหลังเขาเวลานั่งกรรมาฐานเป็นชั่วโมงมันเจ็บปวดจะต้องทําอย่างไรครับพอเจ็บแล้วไม่มีจิต ท, ที่จะภาวนาต่อครับก็ต้องรวบรวมกําลังของสติขึ้นมาบริกรรมพุโทโธแบบให้มันขาดใจเลยพยายาม ดึนกาลังใจขึ้นมาให้บริกรรมพุทธโธให้ได้แล้วอยู่กับคําบริกรรมไปเพียงอย่างเดียวอย่าให้จิตไปคิดถึงความเจ็บนะเดี๋ยวความเจ็บจะไม่มารบกวนใจสิ่งที่รบกวนใจไม่ใช่ความเจ็บแต่ความอยากให้มันจความเจ็บหายไปเพราะจิตไปรับรู้ความเจ็บเข้าก็เลยเกิดความอยากขึ้นมาอยากให้ความเจ็บหายไป ก็ เ, เกิดความอยากไอ้ตัวนี้แหละที่ทําให้ทรมานจนทนนั่งต่อไปไม่ได้ไม่ใช่ความเจ็บของร่างกายถ้าเราพุโทโธอย่างต่อเนื่องได้ความอยากให้มันความเจ็บหายไปมันก็จะหยุดไปแล้วความทรมานใจก็จะหายไปแล้วเราก็จะนั่งอยู่กับความเจ็บได้หรือบางทีความเจ็บก็หายไปหรือจิตสงบลงไม่ไปรับรู้เรื่องของความเจ็บเรื่องรับรู้ก็เฉยกับมันไปเอ คำถามจากคุณลับาการถือสินแปดแต่มีปัญหาเรื่องงานที่ต้องสัมผัสผู้ชายถ้าเราใส่ถุงมือหรือสิ่งขวางกัน้นมิให้ถูกโดยตรงได้ไหมคะถือว่าสินบริสุทธิ์ไหมคะเอ่ออย่าไปใช้สีถนนช้ยเลยมันก็ยังแตะต้องกันอยู่นะคำถามจากคุณหญิงถ้าเลี้ยงสัตว์แล้วเอาลูกมันไปขายบาปไหมคะ ถ้าเขาเอาลูกเราไปขายบาปไหมเปล่าอ่ถ้าเรามีลูกแล้วเขาเาลูกเราไปขายบาปไหมถามตัวเองดูสิไม่ได้ทำกับคนอื่นมาถามเราทําไมทํากับตัวเราดูสิแล้วถามตัวเราเองว่าบาปหรือบาปบาปหรือไม่บาปคําถามข้อที่สองดวงตาเห็นธรรมหมายความว่าอย่างไรเจ้าคะก็เห็นทุกสมุทัยนิโรธมากเห็นอ น, น, นิจจังทุกขังอนัตตา คำถามจากคุณสาธิตผมนั่งสมาธิแล้วเปิดพระสิริมันนนทสูตรฟังด้วยรู้สึกใจมีความสุขสักพักรู้สึกเหมือนจะร้องไห้เกิดจากอะไรครับก็เกิดจากน้ำตาที่มันไหลเลยคำถามจากคุณรัตนาสามีของลูกเขาเป็นคนช่างคิดช่างแค้นและอาฆาตคนเป็นอย่างมากชอบว่าคนไม่ทราบว่ามี ธรรมะข้อไหนที่จะดับอาการเหล่านี้ของเขาได้ม้่งเจ้าคะก็เขาไม่แผ่เมตตาไงถ้าแผ่เมตตามันก็จะไม่มีอาการเหล่านี้เวลาใครทำให้เราโกรธก็ให้อภัยเขาสาธุถ้าเธอมีความสุขจากการทำให้เราโกรธก็ทำไปเถิดแต่เราจะไม่อาฆาตพยาบาทคำถามจากคุณพัทธลพง์นั่งภาวนาถึงช่วงที่จิตเราเหลือแต่ลมหายใจ แล้วเราควรปล่อยอยู่อย่างนั้นหรือควรพิจารณาอะไรหรือไม่ครับถ้านั่งสมาธิก็ให้ดูลมหายใจไปจนกว่าจิตจะสงบค่บคำถามจากคุณพินแคนเมื่อนั่งสมาธิภาวนาไปสักพักพอจิตจะเคลื่อนออกจากคำภาวนาเราต้องทำอย่างไรเจ้าคะก็กลับมามันกลับมาอยู่ที่คำภาวนาต่อไปอย่าทิ้งคำภาวนาอยู่กับคำภาวนาไปจนกว่าจิตจะตกลุมตกบอ่อ ก็ได้เลยนั่งรอเดี๋ยวก็ได้เพื่อให้โอกาสคนที่กำลังพิมพ์ข้อความอยู่ยังมีเวลาอยู่ตอนนี้ใครอยากจะถามอะไรก็ถามได้ให้เวลาอีกข้างนาทีถ้าไม่มีคำถามก็จะได้เลิกประชุมว่ามาคำถามจากคุณจินดา ขอฟังเรื่องขันห้ากับชีวิตครับชีวิตก็คือใจขันห้าก็คือส่วนที่มีใจมาเกี่ยวข้องด้วยขันห้าก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปนี้ก็เป็นคือร่างกายของพวกเราที่ทํามาจากดินน้ำลมไฟเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คืออาการของใจที่มา มาเกี่ยวข้องกับร่างกายพอมีร่างกายใจก็ส่งวิญญาณมาเกาะเหมือนกับเราเอาหูฟังไปเสียบที่เครื่องฟังพอเราเสียบปั๊บเสียงมันก็จะวิ่งเข้ามาทางสายเข้ามาที่หูเราพอเรามีร่างกายเราก็เอาเอาสายเนียคือวิญญาณเนี้ยไปเสียบไว้ที่ตาหูจมูกนื่นกายเราก็จะได้รับภาพรับเสียงรับกลิ่นรับรส ใจก็จะได้รับภาพรับเสียงรับกลิ่นรับรสที่ร่างกายเป็นผู้ไปรับมาแต่ใจกับผู้รับนี้แต่ใจกับใจกับร่างกายที่ไปรับนี้เป็นคนละคนกันเป็นเหมือนกับเนี่ยเครื่องเครื่องที่เราใช้เครื่องโทรศัพท์กับหูฟังที่เราใช้เสียบมาเข้ามาที่หูเราเนี่ยเราคนฟังกับเครื่องนี้มันเป็นคนละคนละอ่านกัน เครื่องเป็นทำหน้าที่รับเสียงเข้ามารับเสียงรับสัญญาณโทรศัพท์เข้ามาแล้วเราคนฟังเราเอาสายไปเสียบที่เครื่องแล้วก็เอามาใส่ที่หูเราเราก็จะได้ยินเสียงอันนี้ก็เหมือนกันใจก็เอาวิญญาณไปเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อจะได้รับรู้ภาพเสียงกลิ่นรสผลถะพระนี่เรียกว่าวิญญาณ พอรับรู้แล้วก็เกิดเวทนาขึ้นมาเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดไม่สุขไม่ทุกข์ขึ้นมาตามแต่รูปเสียงกงลิ่นรสเทือได้สัมผัสว่ามันเป็นอย่างไรถ้าชอบก็สุขถ้าไม่ชอบก็ทุกข์ถ้ากลางกางก็เฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์พอเกิดสุขทุกข์ขึ้นมาก็เกิดสังขารความคิดปรุงแต่งขึ้นมาสัญญาความจาขึ้นมา จำว่าแบบนี้ไม่ดีวะต้องทําอะไรสักอย่างเสียงไม่ดีก็ปิดมันซะเลยปิดหูไปปิดตาไปถ้าเสียงดีภาพดีก็ไปเอามาคว้าเอามาเกิดความอยากเกิดตัณหาขึ้นมาเกิดภวะตัณหาเกิดวิภาวะตัณหาขึ้นมาเกิดกามะตัณหาขึ้นมาพอเกิดตัณหาก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดอุปทานขึ้นมาเกิดการเวียนว่ายตายเกิดตามมาต่อไป คือชีวิตของพวกเราอยู่กับขันห้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยอํานาจของตันหาความอยากที่คอยดึงจิตใจของพวกเราให้มาหารูปเสียงจิตลดต่างๆผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายผ่านทางร่างกายจึงมีการเกิดขึ้นมาเกิดแล้วก็มีการแก่มีการเจ็บมีการตายตามมามีความทุกข์ตามมาต่อ คำถามจากคุณพิมพง์การภาวนาในขั้นจิตตะมยะปัญญาคือการคิดตามจากสิ่งที่เราได้ฟังและอ่านมาเป็นหลักใช่หรือไม่ครับใช่หรือเราคิดขึ้นมาเองก็ได้บางคนฉลาดเห็นต้นไม้เห็นดอกไม้ที่บานออกมาแล้วเราตัดออกมาเสียบไว้ในแจกันอีกสามสี่วันมันก็เฉา อ, อันนี้อาจจะคิดเองก็ได้คิดว่าอ๋อนี่อันนี้จังเป็นอย่างนี้เองเนาะ ทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันสวยมันบานหน้าเดี๋ยวมันก็เหี่ยวมันก็เฉาแล้วมันก็เน่าอร่างกายดูร่างกายของคนต่างๆก็เห็นว่าเออร่างกายคนนี้เกิดมาร่างกายคนนี้แก่ร่างกายคนนี้ตายเ อ, อก็จะเห็นภาพของของการไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายอันนี้บางคนไม่ต้องไปฟังก็ได้บางคนคิดเองเป็นยินตาไปว่าความคิด แต่คิดแล้วยังไม่สามารถหยุดดับความทุกข์ที่เกิดจากความคิดเหล่านี้ได้ก็ยังใช้ยังไม่เป็นปัญญาดับความทุกข์ได้ก็ต้องสร้างสมาธิขึ้นมาเพื่อทําให้จินตามายปัญญานี้เป็นสมาเป็นภาวนามายปัญญาถ้าเรามีสมาธิมีสมถาภาวนาแล้วจินตามายปัญญานี้ควบคู่กับ ภาวนาสมถะภาวนาก็จะกลายเป็นาภาวนาไมายะปัญญาพอเห็นความแก่ความเจ็บความตายเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็ใช้ปัญญานี้มาดับความทุกข์ได้เลยดับความทุกข์เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาร่างกายเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราอเพอเห็นอ น, นิจจังเห็นอนัตตามันก็จะดับความทุกข์ได้ ถ้ามีสมาธิมีกําลังตอนนี้ฟังแล้วแต่ถ้ายังดับความทุกข์ไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่มีสมาธิก็ต้องไปสร้างสมาธิสร้างอุเบกขาขึ้นมาเพราะเราต้องการให้จิตเป็นอุเบกขาให้เฉยกับความแก่ความเจ็บความตายเท่านั้นเองไม่ให้ทําอะไรเพียงแต่ให้เฉยอย่าไปอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเท่านั้นเองคําถามจากคุณอ้อขณะเดินจงกรมอยู่ควร ควรอยู่กับลมหายใจหรืออยู่ที่คำภาวนาหรือดูอริยาบทเจ้าคะได้ทั้งนั้นนแล้วแต่อันไหนที่เราทาแล้วสบายทำแล้วใจไม่ลอยใจอยู่กับที่เราก็เอันนั้นใจไม่คิดเรื่องต่างๆคำถามจากคุณพิมพ์เวลาภาวนาแล้วดีแต่ออกมาข้างนอกดูข่าวดูอะไรทำไมจิตไม่อยากรับรู้เรื่องเศร้าๆเลยเจ้าคะ ก็จิตยังมีกิเลสอยู่ยังอยากจะรู้อยากจะรู้แต่เรื่องดีๆเรื่องสดๆงามๆสวยๆพอจะยินเรื่องเศร้าก็ไม่ชอบอก็ต้องหัดทำใจให้เป็นอุเบกขาถ้าใจมีอุเบกขาแล้วใจก็จะเฉยกับสิ่งที่ดีและไม่ดีได้คำถามจากคุณแอมบางครั้งดิฉันก็กลัวความสุขทางโลก ความสุขทางโลกชอบหลอกล่อให้ลืมภาวนามองดูตนหลงทางไปความสุขที่แท้จริงเป็นเช่นไรเจ้าคะความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมเนี่ยใจสงบแล้วก็มีความสุขดีกว่าความสุขทางโลกเพราะมันจะไม่เสื่อมไม่จากเราไปเราสามารถที่จะรักษาเก็บไว้เป็นของเราได้ไปตลอดคำถามจากคุณปาร์ก โยมนั่งแล้วตัวกลายเป็นมวนกลมๆและรู้สึกเหมือนจะสบะงบแต่รู้ตัวชัดอยู่ว่าไม่ได้ง่วงควรทำอย่างไรคะควรกลับมาดูลมหายใจหรือกลับมาพุทโธอย่านั่งเฉยๆเยพราะนั่งเฉยๆจิตมันก็จะผลิตเรื่องราวเหล่านี้ให้เราได้รับรู้ซึ่งเป็นเรื่องไร้สาระทั้งนั้นไม่มีประโยชน์นั่งไปก็จะไม่ได้ผลอะไรไม่ได้พัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นให้มีกาลังที่ เขข้มแ็งากึนคำถามจากคุณอาจจะมีการสวดมนต์ควรกำหนดอย่างไรค ะ, ะก็อยู่กับบทสวดไปสิอย่าไปคิดเรื่องอื่นเวลาสวดก็อยู่กับบทสวดมนต์ไปเป็นการเจริญสติและดีไม่ดีก็อาจจะทำให้จิตสงบได้ในระดับหนึง่งคำถามจากคุณโจ จิตใจคนเรานั้นไม่มีความมั่นคงในตัวเองเราควรทำอย่างไรสามารถกำหนดจิตใจให้มั่นคงถาวรได้ก็ให้มีสติไงฝึกสติไว้ถ้ามีสติแล้วใจก็จะไม่วอกแวกไม่สันคลอนที่มันสันคลอนวอกแวกเพราะไม่มีสติควบคุมใจอย่างคนดื่มสุราหนี่กับคนไม่ดื่มสุราหนี้จะเห็นว่าจิตใจนี้ต่างกันเลยเวลาดื่มสุราแล้วจิตใจจะวอกแวก จะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวพูดจาทําอะไรนี้ไม่น่าดูไม่น่าชมแต่คนที่ไม่ได้เดิมโซรานี้จะมีสติควบคุมการกระทําของร่างกายให้อยู่ในสภาพปกติได้คําถามจากคุณโทมิการพิจารณาเวทนาปล่อยวางร่างกายอย่างไรหากเมื่อความตายมาถึงคะ่ะก็ปล่อยมันตายไปเลยเว้ะ ม, มันเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปไม่ต้องไปทําอะไร ไม่ต้องไปโรงพยาบาลไม่ต้องไปกินยาไม่ต้องทำอะไรอย่งนั้นปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติพระพุทธเจ้าก็ไม่ไปโรงพยาบาลไม่เห็นท่านก็ตายในท่านอนนั้นท่าสีหสา ย, ยาทําใจให้สงบทําใจให้เฉยเฉยไวเพราะหมอวิเศษขนาดไหนยาวิเศษขนาดไหนก็ยับยั้งความตายไม่ได้อยู่ดีห่ดแล้วค่ะก็ดีไม่ให้ต่อแล้วร้อลเนื่ยแล้ว ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้นำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปเพนิเพิจาณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ